คุณมลเป็นไงคุณมุมนนโนหาเยอะมโนหาแล้ก็อคอคิดถึงทรรมะบ่อยๆคิดเจรนาธรรมะบ่อยๆิใจมันเคลื่อนไหวกระถิบเลยจิตใจมีโมหะบางทีเพราะว่าใจเราห่างเหินห่างเหินธรรมะตัวเศรษฐียุ่งกับอาธรรมคุณมุ่นวายเลยมีคนสร้างหวือเปล่า มีคงสางไหมครับอ่าสคงสาไม่ไเยอะหรอกนิดหน่อยอคุณสลัญญาดีแล้วนะดูไปหญิงเลก็เท้าเทวาก็ยังโมวูซึมๆอยู่คะแต่ก็ฟังเสียงหลวงพ่อไปแล้วก็จิตคิดก็รู้จิตเรามันไม่ไม่ใช่ของเรามันชอบปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมอากาศซึมๆน่าสใจก็ปล่อยซึมไปด้วย ดีแล้วแหละใครดูใครนะวันนี้วันโมหะเยอะกันหลายคนจิตไป็นยังไงก็มีโมหะครับแล้วก็ถึงถึงบ้านจีอยากไปดูจิตคนอื่นนะถ้าเราโดยจิตคนอื่นทําไปจะดูจิตตัวเองไม่ได้เราให้เราเข้าถึงจิตถึงใจใแท้ก่อนแล้วตอนนี้ไปดูคนอื่นแล้วมึงก็ปรับบ้านเป็นหลายคนมึงเสียไปเลยนะ ดูของตัวเองดีๆแล้วไปฝึกดูคนอื่นดูไปดูมามันเลยนึกหลับบ้านเที่ยวไปเรื่อยๆแล้รแบบอบูสึกตัวบ้างนะครับเมื่อฝันหลงพ้อได้กี่ครั้งนั้นอะหลายรอรับเพอาะแมาพอฟังที่นีครั้งที่สองครับแต่ฟังฟังเทปฟังดีๆบางคนฟังแต่เทปไม่เคยเป็นหลวงพอก็ตื่นขึ้นมาได้นะโฆษณาอะไราเลย ซีดีหลงเข้าหน้าฟังนะ <c oughs> แกจะแกแจกรีเสียแต่ค่าไฟแล้วก็ฟังฟังเรื่อยๆจิตมันจะตื่นขึ้นมาเวลาจิตใจมันตื่นขึ้นมาเนี่ยกิเลสอะไรแปรปลอมเล็กๆน้อยๆก็มองเห็นนะใจของคนในโลกนี่มันไม่ตื่นน่าสงสารที่สุดเลยมันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจมันจะอยู่ในโลกของความคิด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 ความหลงนี่มีหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิน่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัส ท, ทางกายหลงไปคิดหลงไปคิดจะมีมากงั้นเนี่ยเราเรามองแบบนักวิเคราะห์นะถ้าเรามองแบบการวิเคราะห์เนี่ยจะทำวิจัยหรออะไรเงี้ยเราดูแล้วเราควรจะสุ่มตัวอย่างศึกษาตัวไหนดีแต่การวิเคราะห์ที่ว่าให้ฟังนี้เราจะพบว่าการหลงคิดที่มีมากที่สุดเย เรืเราหันรู้จักหลงคิดไหมคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะรู้เรื่องที่เขาคิดรู้เรื่องที่คิดนะแต่ไม่รู้ว่าใจกำลังคิดอยู่ที่เราองมากรับนิดเดียวเวลาใจมันแอบไปคิดนะให้รู้ทันว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่ใจไหลไปคิดเนียอย่างไหลไปคิดอย่างนี้ไหลแว บ, บเราก็รู้หรือพอใจไหลแวบก็รู้แวบกบ็รู้เรื่อยๆนะใช้ได้ดี แต่ว่าพอบางคนเคยเข้าพุทธเข้าวัดฝึกหัดอะไรมามากมายพวกนี้จะมีปัญหาอีกอย่างพอใจไหลไปคิดแวบพอรู้ว่าไหลไปคิดตรงนี้ ร, รู้ถูกต้องแล้วถัาจากนั้นจะเริ่มบังคับตัวเองอย่างที่คุณกำลังเป็นมันจะกลับมาบังคับพอไม่เผลอไปคิดก็บังคับเอาไว้นี่คือคนสุดต่งสองด้านสน่วนด้านนี้เป็นด้านเผลอไปคิดด้านนี้ก็จะเป็นด้านบังคับ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 ว่าปุญญาที่สังขารอาการที่จิตลงไปคิดนี่มันจะตามใจกิเลสเลื่อเพลินไปกับอารมณ์ภายนอกก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ากามสุขันในการนยิยโญเป็นสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสพอเราพลิกกลับมาเป็นการบังคับตัวเองมันจะบังคับด้วยวิธีอะไรมันก็ข่มกายข่มใจบังคับกายบังคับใจมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอัตตากิรมัฏฐานนิยค ฉันคนทั่วๆ่วไปเนี่ยมันจะหลงในข้างการสุขาริกานุโยกไปเรื่อยๆนักปฏิบัติเนี่ยชอบมาทําอัตต์จิรมาสานุโยกสังเกตดูเราเคยอย่างเราไปหายใจมาแต่เด็กๆไม่เป็นไรนะพอเรากําหนดลมหายใจเราเหนื่อยนะเครียดพอเราบังคับตัวเองท้องของเราค<ม>องท้องของเรายุบมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่เป็นไรล้วไปกําหนดที่ท้องนะใจก็แน่นๆเ ค, เครียดขึ้นมาเราไปบังคับมนะัน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 สิ่งใดมาถึงจิตถึงใจมาสู่จิตสู่ใจเราในขณะปัจจุบันแล้วก็รู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนี่หลักของการปฏิบัติจริงๆก็รู้อย่างนี้นี่คนไทยไปแปลปฏิบัติว่าทำเราก็คิดคิดว่าต้องทําอะไรชิ้อย่างทําอะไรดีก็เลยกําหนดกันใหญ่เลยกำหนดไว้เพ่งไว้บังคับไว้ประทองไว้ควบคุมไว้สิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเกินอัตตะกิลมัณานิยคนี้ไม่ใช่หลกงพ่อพูดเองนะในอัตถกาถาเนี่ยสอนไม่อย่างนี้ แต่พระาสอนในความตรุงแต่งไปกุอสนเนี่ยคืออัตตะกิลมัทฐานโยกเนื่องจากใดที่เรายัางสุดโต่ไปข้างกามสุขาริการโยกสุดโตไปข้างอัตตะกิลมัทฐานโยกเราไม่ได้อยู่ในทางสายกลางพระพุทธเจ้าบอก ด, ดูกอระอิสูทั้งหลายทำสองอย่างคือความสุดโต่งงด้านที่บัญชิตหรือผู้ปฏิบัติไม่ควรเสดคือกามสุขาริการโยคและอัตตะกิลมัทฐานโยก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 สติเกิดทันทีหากุศลดับทันทีหายลงทันทีแต่การบังคับนี่ไม่หายนะบังคับนี่เป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีแล้วเรากําหนดไปเรื่อยๆถึงเรารู้ว่ากําหนดนั้นก็ไม่ค่อยคลายออกยิ่งฝึกไปจนแก่ยิ่งกําหนดเก่งนะกําหนดใจก็นิ่งสงบสงัดอยู่นั่นนิ่งมากๆปัญญามันไม่เกิดครูบาอาจารย์วัสปาลงภูมัน่นสอนหนักหนาเลย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 แต่ถ้าเราไปตรึงเราไปสร้างครบภายในขึ้นมาเราไปเพ่งไว้กำหนดไว้ประทองไว้นะมันจะอยู่มานเพราะฉะนั้นพวกที่ฝึกทำฌานมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเพรฉะนอย่างพวกรามพวกกินดูสมัยพุทธการอะไรเงี้ยพวกนี้เข้าฌานเก่งพวกนี้ถึงก็ประกาศเลยว่าจิตนี้เป็นอัตตาพอร่างกายนี้ตายจิตซึ่งมันไม่ตายด้วยจิตเป็นอัตตาเนี่ยก็จะไปอยู่กับรั้วลมไปรวมกับรั้รลม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 จิตใจที่ธรรมดาก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเด ah. ี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่บังคับให้นิ่งตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยจิตใจ น, นี้มันทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เราทํางานนะจิตใจ น, นี้ปลูกแต่ ง, ต ง, งทั้งวันทนนั้งคืนไม่ใช่เราปลูกแต่งทํางานทั้งวันทั้งคืนจิตใจนี้ไม่เที่ทยงทํางานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนจิตใจนี้ทํางานเอง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 ลองนี้เป็นกล่องไม้โบราณันาดใหบอกว่าใช้ตีไป น, นานๆมันผลูกมันปลูกไอ้คนเจ้าของกล่องก็ตัดเอาไม้ปลูกออกเอาไม้ดีใส่เข้าไปนี้ใช้ไป น, นานๆก็ปุยอีกในที่สุดก็เปลี่ยนไม้ไปเรื่อยๆอยู่กระท่านทั้งปลูกทั้งกล่องเนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมเลยแต่คนยังรู้สึกว่าเป็นกล่องลูกเก่าอนันนี้ท่านพูดหมายถึงตัวสัจธรรมของท่านธรรมะของท่านของกล่องมันค่อยๆแทรกเข้ามา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 แลดูกายนะดูให้เห็นทุกข์นี่ดูง่ายดูกายให้เห็นว่าเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตานี่ดูง่ายดูจิตดูเป็นอนิจจังดูง่าแล้วก็ดูเป็นอนัตตาง่ายว่าเราบังคับไม่ได้เพราะนดูกายดูใจเนีมุมมองมันจะเหลื่อมๆกันนิดๆหน่อยๆแต่รวมความก็คือสรุปก็คือมันไม่ใช่เราทั้งหมดนิมนต์ครับท่านอาจารย์ผมเอาโกาสพูดกระโยม รู้สึกไหมจิตใจของเราหนีไปหาปลาหมดแล้วรู้สึกไหมเนี mm ่ย hmm. จิตมันหลงอย่างนี้เรียกว่าหลงไปทางตาหลงไปดูนะหลงไปให้คอยรู้ทันนะใจเราสนใจอะไรนะสนใจปุ๊บหันไปดูกบเราจะลืมตัวเองแล้วคนในโลกนี้ลืมตัวเองทั้งวัน mm hmm. เพราะฉะันบรรลุมรรคผลนี้ผ่านไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นตัวเอง อยากได้มาผล น, นิพพานนะต้องรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกรู้ซ้ําแล้วซ้ำอีกเป็นมาหนึ่งปัญญาแจ้งเลยไม่ใช่ตัวเราเหยอเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราไม่มีสิ่งใดเป็นเรานะ ล, ละความเห็นผิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราได้ละสักกาะยะทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันเมื่อวานมีคนหนึ่งมาบวชมานานนะบวชกับนักกูาบาลจานด้วยซ้ำไปภาว น, นาไปอยู่อยจิต มันไปเห็นผู้รู้นะแล้วก็มีตัวรู้ไปรู้ผู้รู้แล้วรวมเปน็นอันเดียวกันตัวก็บรรลุแล่ะพ่อบอกมันไม่ได้ล่าสัคยญาทิถีเลยสัคยญาทิถียังอยู่ครบเลยไม่ได้ล่าอีแรกก็โมโหนะแล้วก็ไฟกล่อมๆๆไปเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นชกพูดแป่ไฟสบายใจขึ้นเสร็จแล้วตอนแรกล้วเข้ามาถามว่าอยู่กับครูบาอาจารย์องคไหนบอกชื่อ บอกแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าไงท่านบอกว่าเหมือนเราปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราไปหาทองคํานะขุดทองได้ทองจริงบ้างทองเก้บ้างเดี๋ยวก็อย่าท้อถอยแนละ้วขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ทองจริงก็คิดว่าได้ธรรมะนะควจริงท่านบอกว่ามันทองเจ๊ท่านพูดแบบเรล่งใจนะไม่เหมือนหลวงพ่อขวานผาภากเลยมอกมันไม่ล่าอะไรเลยสักอย่างนะมันเสียเวลา เราไปสําคัญมั่นหมายอะไรปฏิบัติแล้วต้องละกิเลสได้จริงๆนะใจต้องพ้นกิเลสได้จริงๆเห็นต่อหน้าต่อตาได้เลยใจต้องเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ไปเกาะไปเกี่ยวอะไรไว้อย่างหนึ่งนะบอกบรรลุนะใจต้องวางไม่ใช่รู้เราหยึดไว้รู้ระวางรู้ระวงังสังเกตไหมตอนเนี้เกือบทั้งห้องจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหมถูกหลวงพ่อหลอกหน่เดียวฟุ้งซ่านรู้สึกไหม สึกไหมพะหลวงพ่อพูดอย่างนี้ชักขำขำนะใจชักมีความขำขำเกิดขึ้นแล้ให้รู้ทันนันเนี่ยจิตใจของเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะเราได้ยินเสียงได้ยินคําพูดอย่างนี้ใจเราก็เปลี่ยนเช่นได้ยินเรื่องคําำนะใจเราก็เปลี่ยนได้ยินหลวงพ่อพูดว่ามีพระอาจารย์ท่านมาองคหนึ่งสนใจนะหันไปดูใจมันเปลี่ยนแล้วนะใจที่ตั้งใจฟังคำดับไปเป็นใจที่อยากรู้ว่าใครมาใจมันเปลี่ยน หูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนเกิดหันไปเจอนางงามจักรวาลมาช่วยอนนี้หนุนๆใจเกิดราคะสาวๆช่วยสึกไม่เห็นสวยเลยสู้ฉันไม่ได้ <laughs> รู้สึกไหมใจเปลี่ยนอีกแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ความรู้สึกมันเปลี่ยน <c oughs> คอยหัดด <c oughs> ูอย่างนี้นะหั <c oughs> ารู้สึกไปไเรื่อยมาเรียนที่หลวงพ่อไม่ใช่มาเรียนธรรมะนะ ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวสอนกันไม่ได้สิ่งที่บอกกันได้ก็คือวิธีปฏิบัติเนพะ่มวิธีทําวิธีดูกายวิธีดูใจหลวงพ่อกาลังคาให้ดูกายดูใจตัวเองอยู่ส่วนใหญ่เน้นที่ดูใจเพราะว่าพวกเราเป็นคนเมืองพวกคนในเมืองพวกปัญญาชนพวกชอบคิดพูดเพราะๆว่าปัญญาชนนะความจริงพวกฟุ้งซ่านนะนะั่นแหละหลวงพ่อพูดให้สุภาพหน่อยพวกคิดมากพวกคิดมาก คิดมากเนี่ยทําสมาทานก็ไม่สงบหรอกเมื่อใจมันไม่สงบมันไปดูกายไม่สําเร็จหรอกแล้วต้องมาดูจิตเอาเมื่ใจเราฟุ้งต้านแล้วก็ดูใจไปเลใจที่ฟุ้งต้านเราเห็นเลยความฟุ้งต้านเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ใจเราไปแยกกับความฟุ้งต้านไปอยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหากใจจะสงบฉับพลันนี่เป็นเส้นทางที่เรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธิในที่สุดต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญานะไม่ว่าจะเดินในวะไร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 เมื่อไหร่จิตใจเรายอมรับความจริงคล้ายนักเรียนหัวดื้อครูต้อสอนทุกวันนะจำชี้จำชัสอนแล้วสอนอีกทุกวันแค่เห็นร่างกายในี้ใจในี้ไม่เชื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจุดหนึ่งแล้วมันหายดื้อมันยอมรับครับเมือมันยอมรับความจริงมันได้ความรู้มันก็สอบได้นะของธรรมะเรามีแค่ปอดสี่นะโสดาสถ า, า, า, านคาอนาคาพระอรหันตจบปอดสี่กจบแล้วนะ มันหมดทุกข์นะหมดทุกข์จริงๆมีแต่ความสุขล้วนๆอัศจรรที่สุดสัศจรรความสุขในโลกเหมือนเด็กเล่นที่ฝุ่นเล่นที่โคลนนั่นเองเล่นทรายเล่นฝุ่นต้องมีความสุขนะสุขแบบมอมแมมมอมแมมในวัด น, นี้เป็นชื่อแมว <laughs> ม, มีแมวกัวชื่อมอมแมมเขาใครตั้งให้ก็ไม่รู้นะมันก็สวยอีกตัวหนึ่งชื่อจังกึมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ภาษาอะไรก็ไม่รู้ๆๆๆๆนะแบบแล้วอะไรน <ๆ S 1> อนนั้นเอง น, ๆๆนั่งแนวๆๆธรรมะนะเป็นของลูกซึ้งค่อยๆฟังอย่ารีบร้อนค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปถ้าอยากจะได้เร็วๆเวมื่อไหร่จะช้าเมื่อนั้นความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ช้าเมื่อนั้นก็ความอยากเป็นเครื่องทำให้เนิ่นช้าฟังธรรมะแล้วอย่าคิดมาก คิดมากศึกษา ح, เปรียบเทียบมากคิดมากแทนที่จะคอยรู้กายตามความเป็นจริงแทนที่จะรู้ใจตามความเป็นจริงคอยคิดไปเรื่อยๆคิดมากก็ทําให้เนิ่นชา้าตัวทิตจิทําให้เนิ่ชนช้าคนไหนปิดเลยใจปิดนะไม่รับอะไรใหม่ๆแล้วกูรู้แล้ ว, วกูเก่งแลว้วกูรู้ทุกอย่างแล้วนี่เรียกมานะก็ทําให้เรียนสิ่งใหม่ไม่ได้สามสิ่งเนี้ยตันหาทิจจิมารนะรวมเรียกว่าปัปปัญจะธรรมธรรมะที่ทําให้เนิ่นชา้า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 ง่ายนะหรือหรือบางองค์งท่านก็บอกมันง่ายแท้นาะง่า ย, ายรู้จักชื่อหลวงพ่อมนตรีก่อนจะบวชเป็นปรตขลับท่านพระโมทจาการปฏิบัติง่ายนะที่รับฟังอย่างนี้นี่ทำไมครูบาอาจารย์ย้าตรงนี้เรื่อยๆแล้วก็ฟังไปอย่างนั้นน่ะฟังแล้วไม่รู้เลยว่าท่านท่านสอนไปหาต้องหยากคลายสวัสดิ์วิมานอะไรไม่รู้เลยว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้ที่ท่านสอน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 ต้องกำหนดยังไงต้องละยังไงนั้นฟุ้งซ่านมากเกินไปแล้วแท้จริงก็คือรู้ลงปัจจุบันสิทิละขณะสิทิละขณะไม่มียากกว่านั้นเลยนะถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วรู้สึกยากเลืเกินนะผิดแน่นอนถ้าผิดแล้วใหญ่เสียดายนะโยนทิ้งไปเลยทีย่หลวงพ่อยกย่องมากเลยทีมเชียงใหม่เนะทีมเชียงใหม่น่านับถือนะเพราะว่าสําคัญตนเป็นพระอรหันต์แต่ว่าใจเด็นมากเลย สังเกตจะไดยพระอรหันอะไรขี้โมโหมันหันซ้ายหันขวาสีเนาะกล้าทิ้งความเป็นพระอรหันกล้าลงจากหลังเสือกลับมาเป็นบูรุชนแล้วมาเรียนรู้ใหม่ไปริ้ว ๆ, ๆเลยนะแต่ละคนถ้าเสียดายเขาพยายามกรอเราแล้วว่าได้โสดาสกตาคานาคาพระอรหันซึ่งได้ที่แล้วอะไรอย่างนีน <c oughs> เสียตายไมยอมรับ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 ไม่ไมก้าวหน้าค่ะเสร็จไม่ใส่หลังค่ะทำไมมันอยู่กับจิตดีภาวะจิต ด, ดีขึ้นนะคะใช่สภาวะจิต ด, ดีขึ้นหังเก็ดดูดีขึ้ น, นดีนะ้วทำได้ดีแล้ว น, น, นะอย่าทิ้งสมถะนะการที่ทิ้งสมถะไปไม่ดีสมถะก็จําเป็นการปฏิบัติเ่ะเจริญสติรวดไปเลยนะ<ม>บางคนมันจําเป็นต้องทําสมถะไม่ได้ เป็นไหนทําสมถะได้แเราก็ไม่ทิ้งสมถะแต่ก็ไม่ใช่เอาแต่สมถะเราไม่ยอมเจริญปัญญาอันนี้ใช้ได้นะดีละอย่างเงี้ยมันถึงจะก้าวหน้าได้ถ้าไม่งั้นแล้ก็มันฟุ้งฟุงปัญญามากอ่ซึมไปเลยโอเคฟุ้งมากๆเลื่อๆไปเลยเมื่อเช้าฟังพันทวดเรื่องเจดฟู้โล่นอย่างฟุ้งแบบเป็นเวลาว่างนี่หมายถึงเรือถึงท่าก็ทิ้งเรือหรือว่า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 แต่ใจจะทำชั่วไม่ได้ติด็กเลยเพราะสติมันเร็วศีลอัตโนมัตินะนะดีแล้วนะสองหน้าหลังนเนี้ยดีแล้วล้วโบน้องหาไทยนะค่ะบางทีมันคิดอีกตอนนี้จะมีตอนเช้าตื่นมาจะเหนื่อยแล้วก็เวลาคลิดเยอะๆตอนเย็นจะเจอว่าเหนื่อยรอบหนึ่งจะ จิตแต่ว่าแต่ว่าตัวเหนื่อยกันเหนื่อยตัวดูก็ดูตอนนี้เหมือนอยู่กันหลายคนเอออยู่กันหลายคนคื่มีตัวตัวทําทํางานของมันไปตัวหนึ่งอีกตัวจะเป็นตัวคอยบอกเวลานี้ต้องไปทําวันนี้เวลานี้ต้องทําวันนี้แล้อีกตัวหนึ่งก็คอยดูเราคนนั้นอยู่แล้วก็แต่พฤติกรรมนี่ความขี้เกียจเยอะมากขี้เกียจตลอดเวลาแต่ว่าเวลาทํางานทุกคนชมอย่างนี้เนืออโอ้แต่ละเดือนนี้ขยันตรงกันข้ามเพราะว่ามันมีไอ้ตัวพาไปทํา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 ไม่มีสักตัวไม่ใช่สักตัวใช่ค่ะ <kir. S 2> เพราะว่ามันเหมือนเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งแล้วเราก็มีคนอยู่หลายหลายคน <ừ> เราก็เราก็ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะบอกว่าไม่มีตัวไหนเป็นเราก็คือไม่มีตัวไหนเป็นเราถ้าจะบอกว่าทุกตัวคือเราทุกตัวก็คือเราออ ถ, ถ้าทุกตัวรวมกันเมื่อไหร่นะแล้วหมายลงไปนะก็เป็นเราใช่ถ้าไม่ได้หมายลงไปไม่ได้มีสัญญาเข้าไปหมายก็ไม่เป็นเราเหมือนกับนั่งดูหนังไปเออขันมันทํางานไป ที่บอกว่ามันเหมือนห้องเหมือนห้องประชุมนะมีคนวุ่นวายอยู่เยอะแยะคําว่ากายในสติปัฏฐานเะนี่ยกายยาในสติปัฏฐานเะนี่ยแต่ว่าที่ประชุมเแล้วในในห้องประชุมในที่ประชุมนี้ประกอบด้วยอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่ละตั ว, แ ต, ตวแต่ละตัวทํางานของมันเองทํางานไม่ก้าวไก่กันแต่ถ้ากิเลสตัณหาเกิดเมื่อไหร่ก้าวไก่กันทันทีเแต่วุุ่นวายขึ้น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 ทำให้เห็นในตัวที่เป็นจลุ่มเกตอนนี้แตกกระจายไปนี้บางคนก็จะเห็นแต่ละตัวนี้เกิดดับโดยเฉพาะจิตจะเห็นอะไจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแวบมีช่องว่างเล็กๆมดขั้นตัวหนึ่งเกิดแล้วก็ดับช่องว่างมาขั้นจะเห็นนี้่จ่รู้ในจิตไม่ใช่ดวงเดิมจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจะเห็นในขันแต่ละขันทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆมันมันเหมือนมัน เข้าก่อนเห็นเวลาบางครั้งเห็นเป็นเป็นขึ้นลงขึ้นลงเกิดระดับแล้วก็มีตัวรู้เรากัา้นไปแต่ว่าแต่ว่าคราวนี้เหมือนมันเกิดกพร้อมๆกันมันเหมือ น, นต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำไม่กล้าขายคัดีแล้วดูไปเรื่อยมันจะถอดถอ น, ถอนความเห็นผิดไม่มีตัวเร า, าสงไปไหนก็ได้ กมเราก็แล้วกันเนาะหลวงพ่อคุยด้วยจะไม้ไปทั่วหรอกนะคุยถึงเย็นก็ไม่หมดห้องอเลยทางว่างไวใครจะคุยเชิญหลวงคิดเยอะค่ะแล้วก็มีโม ห, มหนันหนาดีแล้วโมหันเป็นกิเลสยืนพื้นหลวคิดเป็นหลงที่เกิดไวที่สุดถูกต้องแต่อยาไปช่วยมนะนะบบนันก็แล้วกันแต่ก็รู้สึกเหมือนแต่ว่ามีกําลังขึ้นกว่าแต่เก่านิดนึงใช่มีกําลังมากมาก่าเก่าจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นสติเร็วขึ้น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 ปัญหามันเกิดตรงที่เราไปปรุงแต่งตัเองถ้าจิตมันปรุงแต่งของมันนะมันทำหน้าที่ของมันแต่เราชอบเข้าไปปรุงแต่งตัวเองที่ไปก้าวไก่เขาปัญหามันอยู่ตรงนี้งั้นให้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปเรื่อยเรรู้ไปอย่าไปแทรกแซงรู้เล่นเล่นรู้สบายสบายปัญหาอยู่ตรงที่ชอบเข้าไปแทรกแซงจับเป็นเงจับมีโมหะดวอาบไย สี่งสูงสาเ็ต้องสท้หรือไงรู้เถิดตอนที่ตอนท่าเกิดตอนผมมาอยู่ที่นี่ทําเหมือนตอนที่ผมอยู่บ้านเนี่ยอะไรนะคือช่วงช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่นี่ผมฝึกเหมือนกับตอนที่ผมอยู่ยที่ทไหนแล้วก็มีอย่างเดียวรู้หรือเผลอไม่รู้ก็เผลอไม่เผลอก็รู้มีจีรังนีนะ่เละ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 แต่เรือไม่ต้านน้าเรือไม่ขวางน้ําใจเราก็ไม่ขวางกิเลสไม้าไปเกลียดมันดูมันเหมือนมันไหลผ่านเราไปเฉยๆ น, นักสงฆต่อมาสองพี่น้องเบอร์สองเบอแปดเป็นไงเห็นใจมึงเปลี่ยนเหมือนกดช่องทีวีเปลี่ยนเปี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้กดด้วยนะ ม, มันทํางานเองมันกดเปลี่ยนช่องของมันเอง แล้วมันไปช่องไหนมั่งมันไปช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายช่องใจไปช่องใจเยอะที่สุดช่องใจนี่ไปเยอะที่สุดพอไปที่ช่องใจแล้วก็เกิดสุดเกิดฟุ้งเกิดกุศลอกุศลเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ทีละที่เห็นเห็นมันทํางานได้อีกลวงพ่อคะก็คือตามดูแบบว่ามันจะผิดสองทางตลอดค่ะแล้วก็แต่ว่าพอช่วงหลังนีนจะฟุ้งไปมากกว่ามากกว่าบังคับ แต่ว่ามาฟังนั่งฟังหลวงพ่อก็รู้สึกตื่นขึ้นแต่ก็ยังมุด ม, มืออยู่ใจ<ด>่จริงยั ง, ยงมีโมหูฮัตดีแล้วที่เห็นที่ทําอยู่ใช้ได้นะสองพี่น้องเนี่ยเบอร์เจ็ดสิบหยังบังคับนิดหนึ่งดูออกไหมยังตรึงความรู้สึกไปนิดหนึ่งต้องมาวันนี้เป็นวันที่เจ็ดภายในสองอาทิตย์นะคะก็เมื่อเช้านั่งกรรมาฐานก็จิตมันส่งออกนอกนอก็นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็ เห็นพลังที่หลวงพ่อใช้เห็นรูปนามกายใจที่หลวงพ่อให้กับพวกเรามันก็มันก็ซาบซึ้ง น, นะคะแล้วก็ก็ก็รู้มันก็นแช่นั้นนะคะมีปีติก็รู้ว่ามีปีติดูไม่ออกะคะ่ะหลอดูอะไรล่ะไม่รู้แล้วทําไมรู้ว่าดูไม่ออก<ม>ถ้ารู้ว่าดูไ ม, ไม่ออกอนะดูออกแล้วนะ ดูออกแล้วเหรอคะดูออกแล้วว่าดูไม่ออกเลยคือถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันตัวเองเนะหมก็ถือว่าดูออกแล้วอย่างตอนนี้ไม่งงไม่รู้เรื่องไหไรแล้วงงนะรู้ว่ากําลังงงอยู่นั่นดูออกนะ <c oughs> ถ้าไม่งั้นจะตอบไม่ถูกหรอกว่ากําลังไม่รู้เรื่องอยู่ <c oughs> มันง่ายนะง่ายแบบเส้นผมบางกูเขาเลยหุ่นคุณใหญ่ไปนั่นแหละมีไม่ส่งกันบ้าน เราหลานคุณเสื้อเหลืองนี่เป็นไงค่ะอขนาดนี้รู้สึกว่ า, าสลับกันระหว่างฟุ้งซ่านเกรงแล้วก็ปล่อ ย, นนยไปเรื่อยๆมันสลับไปสลับมา ด, ดีจริงๆก็ไม่ใช่สภาวะที่ประาดตรงฟุ้งซ่านก็คือไหลตามกิเลสไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เกรงบังคับจะเป็นสกติของนักปฏิบัติให้รู้ไป ส, สภาวะสามอันนี้ไม่ใช่ว่าเกลียดสองอันแล้วเอาอันหนึ่งนะ ไม่เอาสักอันแค่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทํางานของมันเองบังคับไม่ได้แค่นั้นพอละมาทางนี้แต่ส่งไปเรื่อยๆนะได้แค่ไหนแค่นั้น น, นนะแล้วแต่เวรแต่กรรมเ ข, ขาเลี้ยงถามนะคะว่าการปล่อยวางเนี่ยเป็นสิ่งที่น้อยแน่นอนหรือเปล่าคะการปล่อยวางแนละ้วไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องรู้สึกมันจิตเมื่อมีปัญญาแล้วเขาปล่อยของเขาเองเราบังคับให้เขาปล่อยไม่ได้นะ เราบังคับให้ก็ปล่อยได้มันก็จะเป็นตัตตาไม่ใช่อนัตตาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนะี่ยเอาข้อเท็จจริงเอาความจริงของกายของใจมาตีแผ่ให้จิตมันดูดูซิกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือไม่ได้จิตนี้เที่ยงไหมเป็นสุขไหมบังคับได้ไหมเอาของจริงให้ดูทุกวันแล้วเขาเห็นความจริงแล้วเขาวางเองผมข้ายกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างพวกเราในห้องนี้รู้สึกไหมว่า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 เพราะฉะนั้นจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้แต่ถ้าเรามาหักตามรู้ตามดูกายสมมุติดูกายนั่งอยู่เนี้นั่งให้สบายนะปรเดี๋ยวเดียวทุกข์ละมันปวดมันเมื่อยแล้วก็ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถไปหายปวดหายเมื่อยนั่งไปีคราสึความปวดความเมื่อยตามใหม่อีกละขยับอีกก็เดี๋ยวก็ปวดอีกละทั้งวันทั้งคืนนะความปวดความเมื่อยเนี่ยตามโจมตีเราทั้งวันทั้งคืน จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนะความทุกข์ตามบีบคั้นร่างกายตลอดเวลาอย่างเรานอนกลางคืนนอนหลับไปเนี่ยร่างกายเราอย่างต้องพลิกไปพลิกมานะคือหนึ่งสนะี่สิบห้าสบครั้งเนี่ยคนทั่ ว, วไปทําไมต้องพลิกเพราะว่ามันทุกข์ถ้าเรามีสติคอยรู้กายอยู่นึงนึงเราจะเห็นเลยกายที่ถูกความทุกข์บีบพันตลอดเวลาีกายไม่ใช่ของดีของวิเศษของที่จะน่ารักเหมือนที่เราเคยคิดไปแล้วแต่กายนี้เป็นภาระกายนี้นําความทุกข์มาให้เยอะแยะเลย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 ไม่ใช่หน้าที่ของเราไปช่วยเกาวางนะเราก็เช็คจริงให้เขาดูกวางเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละถ้าเขายังไม่วางก็คือเขายังเรียนไม่พอตื่นเต้นครับเออดีดีที่รู้นะบางทีมันก็มีความรู้สึว่าอเราผมตื่นเต้นง่ายแล้วก็ถ้าตั้งใจแล้วมันจะแน่นจุด ท, ที่คอเออดีดและนี่นทําเมียต่อก็รู้ไปเรื่อยๆอย่อยอยู่รู้ไปนะรู้สึกไหมมันจะตื่นเต้นห้ามันไม่ได้ เรื่องของมันเราดูไปจนเห็นเลยเออมันตื่นเต้นของมันเองแล้วมันไม่ใช่ตัวเราหรอกดูไปอย่างเงี้ยความรู้สึกอื่นก็ดูอย่างเดียวกั็นเงี้ไม่ตื่นเต้นอย่างเดียวหรอกบังคับไม่ได้ด้วยรู้สึกไหมครับบังคับตัวเองด้วยนะดูออกสล้วครับให้รู้ทันนะตัวบังคับและตัวปัญหาอีกตัวคือก็พยายามที่จะใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมครับแต่ที่ใจหนีไปคิดเพจะมาฝุยกับหลวงพ่อเนี่ยเราลืมกายลืมใจ เมื่อไรจิตไปรู้เรื่องที่คิดนะจิตจะลืมกายลืมใจคุณนึกออกไหมทั้งวันเรารู้เรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นทั้งวันเราจะลืมกายลืมใจเนี่ยลืมไปอีกแล้วรู้สึกไหมดีไปคิดอีกแล้วให้รู้ทันจิตไหลไปคิดแว๊บรู้ทันไหลไปคิดแว๊บรู้ทันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งใจจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดพอเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะอยู่ในโลกของความจริงแล้ว จะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงได้แต่แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม<ร>ให้คอยรู้ทันนะรู้เดียงรู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะจะไปฝึกตนเองจนกระทั่งเลิกคิดไปเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกายเป็นต้นไม้และก้อนหินนะให้มันคิดไปแต่ว่ารู้ทันมันเรื่อยๆเมื่ อ, อทิดที่แล้วนะรู้แล้วยังไม่ค่อยเป็นการอ่เพราะเหมือนกับว่า มันตะลุมบอลกันทั้งหมดเลยฮะก็เลยก็เลยปล่อยหมดเลยก็เลยไม่เอาอะไรเลยแล้วก็เบาขึ้นทีนี้มันเหมือนกับว่ามันยังตามความคิดไปเยอะอยู่อ่ะยังไม่ค่อเป็นการเราห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าจิตมันจําสภาวะได้ว่าเผลอไปคิดเป็นอย่างนี้เผลอไปคิดเป็นนี้นั่นแล้วสติจะเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆหลายไปคิดแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกครับบางคนรู้สึกได้เร็วมากเกือทั้งทํางานไม่ได้ า ง, งานที่จะคิดไม่ได้ในใจจะรู้จงมาตลอดอันนี้ต้องบังคับมันให้ทํางานเพราะงั้นเวลาที่เราทํางานที่ใช้ความคิดไม่ใช่เวลาจเจริญสติให้ไปจดจ่อที่งานมีเหมือนกันถ้าบางทีคิดงานอยู่แล้วเออไปมายแวบไปเลยฮะแล้วคิดงานต่อไม่ได้ให้จดจ่อที่งานนั้นเป็นเวลาทํางานวันนี้โมหายเยอะโ ง, งหะโมหะเยอะแล้วก็บังคับตัวเองด้วยฝุณนดูออกไห หมหาเยอะมันก็บังคับมันจะออกมาไ้รู้ทันมันมนบังคับผ ม, มันเองฟังหลวงพ่อบอกว่ากายมีแต่ทุกข์หลังๆจิตก็เลยก็เลยแบบว่ามาเน้นดูเวทนาทางกายดูดอะไรก็ ไ, รได้นะ อ, นอะไรก็ได้ดูกายดูเวทนาดูจิตได้ทั้งนั้นถ้ามีสติขึ้นมาี่เห็นไม่มีตัวเราบ้างหล่ะ คือเราเราดูเวทนาเพื่อจะดูจิตคือมันแล้วแต่เรานะบางคนรู้เวทนาไปเจอท่านใจเป็นกลางกับเวทนาเลยเห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาข้าส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่กระทบกันต่างคนต่างทำงานของมันไปทำหน้าที่ของมันไปเพราะฉะ้น อ, อะไรเกิดขึ้นจิตไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงฝึกใจอย่างนี้ก็ได้หรือจะฝึก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 ก็เห็นท่างกายทั้งจิตทั้งขันท่าเนื่องทํางานของมันไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราในนะั้นเลยความทุกข์ก็ไม่มีนะช่ง <c oughs> วงนี้โกรธใหม่ อ, อะไรนะโกรธใหม่โกรดบ่อยไม่เก็บกดมันก็โกรธบ่อยถ้าเราภาวนาแล้วเราคอเก็บกดนะเนี่ยทําหน้าให้ดูนะ <c oughs> นเชิญด่าได้ละเชิญรับรองไม่โกรธหรอกนะ งั้นนัดกรรมฐานนะหลายคนเลยที่ฝึกฝึกไปแล้วบอกไม่โกรธเลยไม่มีกิเลสเลยนะก็ไปข่มเหมือนไว้แต่พอไม่ข่มเนี่ยมันร้ายเก่าเกา่านะที่หลวงพ่อพูดว่าชมพูเป็นตัวร้ายเลยเห็นไหมชมพูเห็นไห ม, ม, หไหมพวกเราลิซ่าเอ อ, อรู้สึกไหมหลวงพ่ อ, อเป็นตัวร้ายเห็นไหมถ้าเราฝึกไม่เก็บกวนนะเราจะเห็นนะกิเลสเยอะนะวั น, ว, นวันหนึ่งที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วนะจิตมันหลุดออกมาจิตมันตื่นขึ้นมาแนละ้ว ใหคอยรู้ไปจะเห็นเลยกิเลสเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปช่วยมันดับนะกิเลสอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตนะแยกได้ไหม <S <S เออนั่นแนะหละหันดูไปเรื่อยอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวร่างกายก็เป็นของถูกดูถูกรู้รนะเวทนาสุขทุกข์ทัางหลายก็ของถูกรู้ถูกดูกิเลสทุกส่วนทุกส่วนทั้งหลายก็ของถูกรู้ถุกดูไม่มีเราหรอกที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วไปเรียนมาจากไหนเมื่อก่อนนั่ง ให้ยุบหน่อห้องนอนใช้พ้องยุบสิให้ยุบเน อ, อห้องนอนนี่อาจารย์ว่านะครับแล้วก็ก็ฝึกเรื่อยๆครับื อ, อ, บอส่วนมากถ้าถ้าไปวัดจะได้ฝึกเหมือนที่อ่หลวงพาะว่าครับถ้าไปวัดได้ฝึกถ้าอยู่บ้านจะไม่ค่อยได้ฝึกเลยอย่ า, ยางงั้นสิคือการปฏิบัติทำนะเราทำกระทั้งชีวิตเลยเราไม่แบ่งนะว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติถ้าแบ่งอย่างเงี้ยชาตินี้ไม่ได้มากคนนิพพาน Yeah, อ, อย่าแบกตลอดเวลาคือเวลาปฏิบัติทั้งหมดยกเวน้นเอมีข้อยกเวน้นยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิด oh. เพราะว่ามันปฏิบัติไม่ได้นอกนั้นต้องดูไปเลยอย่างเมื่อสองสาเดือนก่อนนี้หนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ถามหลวงพ่อว่าวิธีเดินจงกรมจะเดินยังไงหลวงพ่อบอกไม่ออกมาเดินโชว์ได้ไหมเนี่ยคนเต็มห้องเลยวันนั้นใกล้ๆอย่างวันี้ยให้มันเดินตรงเนี้ย้หนุ่มนี้ใจถึงนะออกมาจริงๆค่อยๆ ย, อย่องแบวกคนออกมานะ หลาพ่อบอกยุดก่อนยังใช้ไม่ได้ทำไมตอนที่เดินออกมาไม่มีสติคิดใช่ไหมว่าตอนนี้ยังไม่ต้องปฏิบัติเพราะยังไม่ถึงหัวทางจงกรมนแบ่งเวลาแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติอ้าบอกเดินต่อได้ตอนนี้เดินด้วยความระวังตัวนะรู้สึกตัวเดินมาเรื่อยพอมาถึงต้นทางจงกรมนะมวางกอไปอีกกแบบหนึ่งละสุดโตไปอีกข้างหนึ่งละ แท้จริงก็คือธรรมดาที่สุดนั่นแหละ ย, ยืนเดินนั่งนอนธรรมดาที่สุดนั่นแหละมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปตามธรรมดาที่สุดเลย<ม>แล้วไม่แบ่งนะเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติทั้งหมดคือเวลาปฏิบัติอ๋อเรียนถามหลวงพ่อนะคะพอดีเพิง่งฝึกสมาธิอะคะ่ะจึงมีว่าเวลาฝึกเนี่ยรู้สึกว่ามันเครียดเบ้กโกวีมหัวเหมนจะอยา่าไปขมใจมัน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 ที่หนาะที่เราทำกรรมฐานก็คือเอาอารมณ์ที่สบายใจไปล่อมันบางคนรู้พุโทโธแล้วสบายใจแล้วพุโทโธเหมือนไอติมไปหลอกเด็กอะเด็กก็เข้ามากินในติมอยู่ในบ้านไม่วิ่งส่วนไปวันนี้ถนัดรู้ลมหายใจแล้วสบายก็ไปรู้ลมหายใจดู้เล่นๆหรือเอาขนมไปล่อจิตมันพอใจที่จะรู้ลมหายใจมันจะกลับเข้ามาไม่หนีไปเที่ยวคนไหนจะดูท้องผ่องยุคก็ดูไป แต่จิตมันชอบใจที่จะดูท้องฟังยุคดูไป็นสบายๆมันก็กลับมารู้สึกอยู่ที่ท้องได้ไม่หนีผิเที่ยวเพราะฉะนั้นหลักของการทําสมถะกรรมฐานะต้องสบายนะถ้าสบายเท่านั้นแหละถึงจะสงบในอภิธรรมถึงจะสอนเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิไม่ใช่ไปบังคับมันเพรถ้าปฏิบัติแล้วเครียดก็หมายถึงเราพยายามบังคับใจตัวเอง แล้วไม่มีความสุขจะไม่สงบเลยถ้าเราชำนาญ น, นะเราแค่ถอนใจสักเครื่อหนึ่งเราก็สงบเลยนะไอ้ปีตีคนรู้คนฟองยังไงก็ได้นะ<ม>ต้องรู้หลักนะรู้หลักศาสนาพุทธสอนเรื่องเหตุกับผลไนวะ้ทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้มีผลนี้อยากได้ผลก็ต้องทำเหตุให้ตรงกับผลอยากให้เกิดปัญญาเนี่ยใจต้องตั้งมั่นใจจะตั้งมั่นได้เนะย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 เมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยสติระลึกรู้รูปก็จะเห็นความจริงของรูปว่าไม่ใช่เราสติระลึกรู้นามก็เห็นความจริงของนามว่าไม่ใช่เราเพราะน้นตัวสําคัญนะหากรู้จักสภาวะเรื่อยๆจนสติเป็นจริงเกิดจิตจะเป็นกุศลมีความสุขมีความตั้งมั่นมีปัญญาปัญญาแก่รอบจริงๆต้องวิมุติเกิดขึ้นปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจธรรมะมีเหตุมีผลนะ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 จิตจำสภาวะไม่ได้เพราะไม่ค่อยขยันดูสภาวะเมื่อแต่ไปดูเรื่องอื่นบิ๊กคิดเรื่องอื่นเราก็ต้องทำต้นทางทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไ ร, ก, ไะ ร, ก, ก, ะไรก็ทำไปเถอะพุทโธดูท้องของยุบยกเท้าอะไรก็ทำไปเถอะชั้นอันหนึ่งแล้วก็หันดูสภาวะไปเดี๋ยวจิตก็หนีไปเดี๋ยวจิตก็เพ่งไว้เดี๋ยวจิตสุขจิตทุกเปึนกุศลหนักกุศลนะ่านะนะดูไปได้พอมันจำแน่นแม่แมนแะล้วสติเกิดเอง คนที่มาเรียนที่หลวงพ่อนั้นถ้าเก่าๆนิดหนึ่งเวลาก็รายงานการปฏิบัติเ้าจะไม่รายงานว่าดิฉันได้ปฏิบัติมาอย่างนี้มีผลอย่างนี้ไม่พูดกันอย่างนี้แล้วนักพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ใช่รู้ฝีตัวจริ ง, รงของหลวงพ่อเป็นตัวป ล, อ, ป ล, อ, ปลอมๆรู้ฝีตัวจริ ง, รงของหลวงพ่อเวลารายงานการปฏิบัติจะรายงานบอกว่าหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สออติเกิดเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึก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 แต่ว่าจะมีปัญหาก็คือว่าทั้งๆที่เราละลึกอยู่ที่ปลายจมูกแต่ว่าเวลาพอเราเพ่งแล้วเราละลึกรู้ตัวไม่ทันเนี่ยเขาไปเครียดที่ขมับแทนเนี้ยค่ะก็เลยแต่ว่าเวลาพอเครียดเนี่ยพอรู้ยังไงเขาก็ไม่ไม่ออกเนี่ยก็เลยต้องใช้แบบเผลอๆไปก็กลับมามากฝึกจ๊ะจักรของสมาธินะจักของการเพ่งี่ยคือเผลอสุดโต่งคนรับข้างหลวงพไปเล่าบมาเกล่าๆดิเไปได้ยินมีพระองค์หนึ่งท่านติดเพ่งมาหลายที เพ่งเห็นเครียดมากเลยเส้นเลือดแทบแตกเลยนะหลวงพ่อใช้วิธีชวนท่านคุยนะชวนคุยให้ท่านฟุ้งซ่านไปเลยพอท่านเผลอไปหลวงพ่อก็บอกท่านเผลอแล้วครับท่านเออเผลอแล้วเลยเลยทําอย่างงี้ใช่ไหมรื้อออกไหมพอรุ๊อเข้ามาอีกหลวงพ่อหลอกท่าชวนคุยอเผลอเผลอไปเนาะเผลอแล้วครับท่านก็ทุ๊บเข้ามาอย่างนี้พอครั้งที่สามนะท่านเผลอบอกเผลอแล้วครับตกโต้เปรี้ยงเลย สายลากไปละเข้าใจล้วจิตมันทํางานของมันแลบแลแลบใช่ไหมใช่ทํางานของมันเองแต่เราไม่ใช่เข้าไปแทะแต่งมันงั้นถ้า ต, ติดติดเท่งนะเผลอเผลอไปเดี๋ยวก็หลุดคือคือบางทียังไงก็คือต้องใช้วิธีเผลออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเคยแบบลองว่าจะรู้เขาเนี่ยพอรู้เขาปุ๊บเขาก็ไม่ยอมหลุด น, นะคะต้องแบบเพราะว่าอะไรเพราะการเท่มันไม่ใช่อกุศน อย่าเผลอมันเป็นอัปุษณ์ทันทีที่เรารู้ว่าเผลอนะสติเกิดปั๊บนะอับปุษณดับทันทีหายเผลอในเพ่งมันเป็นความปรูงแต่งฝ่ายดีเราพยายามควบคุมกายควบคุมใจไม่หายหรอกต้องเผลอๆไปแค่าให้จิตมันไปคลางเผลอไปซะดีกว่าเออเจยโจยี่ให้คอเดือวนี้ความตรงใจน้อยลงนะคะจิตมัวมัวใช่ไหม ชานี้ก็งงๆนเออนะจิตมีโมหะคขารู้มันดีแล้วจิตเทจอยไม่แค่นี้เนาะที่เหลือเอาซีดีไปฟังเอาเองซีดีหลวงพ่อฟังแล้วฟังอีกนะธรรมะที่หลวงพ่อพูดอนะถึงเราฟังแล้วนะวันหลังมาฟังอีกความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมนะรับรองได้เลย เ, เชิญเชิญ